การคิดคิดอย่างไรจึงจะถูกการพูดพูดอย่างไรในหลักธรรมคาสอนจึงจะถูกใช้วาจาใช้อย่างไร <Hey. S 1> การกระทำทำอย่างไรการ ค, คิดคิดอย่างไรนี <Hey. S 1> ่แหละพวกเราเข้ามาศึกษาเรื่องพุทธศาสนา hmm. มาศึกษาเรื่องแนวความคิดและก็การกระทำและกับการพูดกายวาจาใจสรุปแล้ว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 กิเลสมากเกินไปหรือเปล่าอาหรือว่ามันมีเหตุผลอย่างไร อ, อันนี้ก็ต้องมาตรวจตราดูตัวของเราละ่ะทีนีเ้เพราะว่าทำคําสอนของอพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจานะ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วเป็นสวากาตธรรมเพระการนั้นเราต้องนํามาพิจรารณากันกรองไตรตรองอด้วยเหตุและผล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 แต่ถ้าว่าผู้ไม่เชื่ออยู่แล้วมันคงไม่ดีเอี่เพราะนั้นเราจะไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เอาองไหนพระสาวกองไนที่จะพูดองคไหนก็พูดไดเ้เมื่อรู้แล้วพระองค์บอกว่าไม่ได้เถ้าเราขืนพูดไปองค์นั้นพูดไปองที่ไม่รู้ละ่ะขั้นก็ไม่ได้ฉันอาหารอะสทีแต่เนี่ยองที่รู้เขากน็นับถือเริ่มใส่องนั้นองอื่นน่ะ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 เขาทางห้นทางไปสู่นรกของเขาไม่ต้องไม่ต้องคิดนี่แหละเขาจะต้องไปตกนรกออกจากตกนรกตกนรกแล้วเขาจะมาเป็นเปรตสุนัขัตตาลิศวเีเขาจะมาเป็นเปรตใช้ ร, รมอยู่นานนะแต่เอาเถอะเราเคยเป็นมาแล้วอย่างที่เขาเป็นมัน น, นับจากนับคอยหลังจากนี้ไปเก้าสิบเอ็ดกลับเรานี่แหละเป็นปริพายโชคพวกนี่แ่ะไม่นุ่งผ้า อยู่ในป่าเรากินขี้โคกับใบไม้เท่านั้นเพื่อจะให้มีตาเป่าเพื่อจะให้พ้นทุกข์เราไม่มีเสื้อผ้าหน้าหนาวขนาดไหเราก็ไม่ใส่ผ้าเราอยู่ตามลำพังเงียบสมบไม่เห็นคนเลยเราเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างนีน้แต่มันไม่ใช่ทางมันเป็นเรื่องกิเลสมันมีเต็นเป็นความคิดเท่นั้นเองมันมีแต่เรื่อง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 ถ้าพูดแบบหลวงปู่จามพูดนะท่านก็คงจะว่านรกมันตังยังไม่เต็มเอสวรรค์ก็ยังไม่เต็มผมมันโลกก็ยังไม่เต็มออ <c oughs> ใครจะสร้างเอาวันไหนก็เอาได้ตามมัตย์ยาใสโลกนี้โลกหาได้กุฏิแม่ชีแก้วบอกอะโลกนี้โลกหาได้หานรกก็ได้หาสวรรค์ก็ได้หาความชั่วก็ได้หาความดีก็ได้โลกนี้โลกหาได้เพราะนั้นพวกเราจะหาอะไรถึนนะ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 ดูถูกเพื่อจะให้เขาว่ากล่าวเราได้เราไม่เอาไหนอย่าให้เขาหนักใจแต่เราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขบอกผมเจ็บไข้ได้ป่วยผมไม่สบายเขาก็จะได้ช่วยยืดหยุ่นแต่ไม่ใช่วันไหนกับวันเก่าอเอาเปรียบเขาขี่คอเขายังไม่แล้วยังขี่หัวเขาอีกยังดูถูกเหยียดตยามเขาอีกเราจะไปอยู่กับเขาได้ยังไงแต่เอตัวเองกันนั